ส่งคำบ้านวันนี้ให้ไปส่งกับพ่อเขาไงท่านสอนอะไรบ้าง่แขยันะกนนน็ดีแล้วนะที่เขียนไม่ดีหรอกเขาทำตั้งแต่ตื่นนะตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันอย่าเว้นเวลาที่ต้องคิดเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาที่ไม่ได้ทํางานต้องคิดก็อย่าไปคิดมันรู้สึกครับ ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนบอกเขาเรียนเขาเข้าใจแล้วเมือ่อก่อนเรียนชอบใช้แต่สมองที น, นี้ไม่ใช้สมองแล้วใช้ใจแยกกันออกแล้รู้สึกครนะนี่สงบเ <laughs> ต็มทีสาม ทำทุกวันนะต้องสงบแน่ใช่ดีแล้ะแล้วนุชนะอ่ะเป็นไงแล้วอยาให้เผิ่อนานนะเดินไหมเป่นนเดินจงกลมไหมไม่เดินเลยเหรอแล้วไปอยู่กับท่านได้ยังไงเดี๋ท่านเอาเรื่องจิตเป็นไงตอนนี้จิตสว่างไหมรู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนนี้ จิตมีโมหะแทรกดูอบกก็ดีนะทีมไหนมาต่อไปทีมไหนอ่ะคุณหมอครัแล้วกันคุณห ม, มอเป็นสบายไหมสบายาอาจจะเพราะเราไปบังคับมันไม่บังคับก็สบายในใครจะส่งกันบ้านอีกเนาะไงพี่ลุงศรีปฏิบัติตทุกวันไหม อย่าเผลอเป็นวันก็แล้วกันเผลอนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะเผลอนาทีหนึ่งสองนาทีก็พอละใครรู้สึกนะพอเราจิตเราฝึกไปเรื่อยจนสุติอัตโนมัตินี่พอจิตเราไหลแวบเนียก็รู้สึกละแต่มันอยู่ที่ฉันทะของเราเจยพอใจที่จะรู้สึกจะขยันรู้แต่ถ้าช่วงไหนฉันทะของเราย่อนลงเราสนใจสิ่งอื่น มีเรื่องต้องสนใจเยอะอะไรเงี้ยสนใจแก้วอะไรเงี้ยก็มันก็ตื่นน้อยอะไร้แก้เป็นไงได้ปฏิบัติบ้างไหมถ้ารู้ตัวถูกต้องมไม่เครียดนะถ้ารู้ไม่ถูกอ่ะถึงจะเครียดคือการรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปจงใจรู้สึกนะถ้าสติเกิดขึ้นเอง โดยที่เราไม่ได้จงใจเนี่ยมันจะไม่เครียดแต่ถ้าเราจงใจจะปฏิบัติหวังว่าสติจะเกิดนะเราจะเครียดเพราะอะไรเพราะสติไม่ได้เกิดจากความจงใจสติมันเกิดจากจิตมันจําสภาวะธรรมได้หน้าที่เราให้หัดรู้สภาวะธรรมบ่อยๆเช่นโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้หลงไปก็รู้นะดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนะคอยรู้สึกไปเรื่อย ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปเรื่อยแต่ไปสติจะเกิดขึ้นเองอาจารย์อภิธรรมบางท่านก็สอนบอกอย่าเพิ่งปฏิบัตินะเรียนเรือกสภาวะก่อนกิเลสแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงจิตแต่ละตัวเป็นยังไงนะเวทนาแต่ละอย่างเป็นยังไงหัดเรียนเรียนไปเรื่อยๆนี้เราไม่เรียนปริยัติก็ได้เราเรียนจากของจริงสังเกตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันรู้สึกไห บางวันเป็นสุขบางวันเป็นทุกข์บางวันผ่องใสบางวันก็เศร้าหมองแต่ละวันไม่เหมือนกันหัดรู้สึกไปเรื่อยเราเห็นเพื่อนเราเราดีใจนะเห็นคนนี้เราเกลียดความรู้สึกไม่เหมือนกันหัดรู้ความรู้สึกหัดรู้สภาวะทำไปเรื่อยจิตมันจำสภาวะได้แล้วก็เราไปสติจะเกิดเองนะเช่นพอเห็นแม่มาดีใจอะไรอย่างนี้ ควดีใจผุดขึ้นสติจะรู้เองเลยวนะ่ามันดีใจขึ้นมาแล้วสติที่แกล้งรู้แกล้งทําขึ้นมาเปนแข็งแข็งทื่อๆของปลอมสติตัวจริงจะอ่อนโยนนุ่มนวลทันทีที่สติเกิดเนจิตจะเป็นกุศลฉับพลันในจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่วว่องไวไม่แข็งไม่หนักไม่แน่นไม่ซึมไม่ทื่อถ้าเราปฏิบัติแล้วใจเราแข็งแข็งทื่อๆนะแสดงว่าทําผิดแล้ สติตัวจริงไม่เกิดกลายเป็นตัวปลอมมันเกิดงั้นทันทีที่สติเกิดจะมีความสุขสับพลันเล ย, ยใจจะเบางั้นหนักก็หาทางผ่อนคลายก่อนนะเ้าทําสมถะไม่เป็นถ้าทําสมถะเป็นก็ทําสมถะผ่อนคลายถ้าเป็นเครียจดจัดๆก็หาอารมที่เราเพลิดเพลินพอใจที่จะทำแล้วมีความสุข่ะ บางคนปลูกต้นไม้แล้วมีความสุขนะเครียดๆแล้วนะมาดูต้นไม้อะไรเงี้ยนะแต่อารมณ์ที่จะคลายเครียดต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลนะอย่างบอกไปตกปลาแล้วคลายเครียดอะไรเงี้ยหนีอ้างฝังไม่ขึ้นอย่างเราไปปลูกต้นไม้เออจิตใจไม่ได้เป็นอกุศลอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเราไปให้อาหารปลาอะไรเงี้ย สามารถหลายแห่งเขาชอบตั้งวังมัตฉาให้คนไปเลี้ยงปลาตอนที่เราให้อาหารปลาจิตใจมีความสุขได้ผ่อนคลายเพระจิตใจมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขได้ปฏิบัติอนะ่ะเอ้ยตึกเคยเจอหลวงปู่สุวัตนะไหมเกิดแล้วหลวงปู่สุวัตนะท่านมีอุบายนะลูกศิษย์ท่านไม่ค่อยยอมภาวนาท่านบอกให้ไปขุดสระใหญ่ๆไว้ <c oughs> คนก็นกึกว่าหลวงปู่อยากได้น้ำํำไปขุดสระหลวงปู่เอาปลามาปล่อย ไม่เหมือนจันตันนะจันตันไม่ให้ปล่อยเขาจะ น, น, นําไม่ใช้หลวงปู่ให้เอาปลามาปล่อยเวลาโยมทะเลาะ ก, กันนะเอาไปไปเลี้ยงปลา <c oughs> ไปเลี้ยงปลาให้มีความสุขนีแล้วจิตใจผ่อนคลายมันปฏิบัติง่ายใจยเครียดเครียดทําไม่ไหวหรอกอย่างเราให้อาหารปลาเราก็ดูใจของเราได้ให้เรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขนี่ให้แล้ปลามากินอาหารนะเราพอใจ รู้ว่าพอใจมีปลาตัวโตโ ต, ตมันแย่งตัวเล็กกินหมดเลยเราชักโมโหและเนี่ยนนี้ใส่โยมาบานเข้าฝิงรู้สึกไอตัวนี้เอาเปรียบไม่ชอบมันรู้ทันว่าใจไม่ชอบใการปฏิบัตินั้นไม่ง่ายมันอะไรเองก็ทําได้หมดเลยเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลาเรามีความรู้สึกของเราอยู่ตลอดอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกก็เกิด เราความรู้สึกทั้งหลายมาเป็นอารมณ์กรรมฐานมันไม่ต้องไปทำอะไรแปลกๆนะต้องมีอุปกรณ์ช่วยอะไรหรอกเอากายเวทนาจิตทำาและเป็นอารมณ์บางคนต้องหาอุปกรณ์ช่วยมีนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ย น, นานๆสาม น, นาทีสี่นาทีปลุกทีไวช้านะมันต้องใจไหลแวบรู้แวบรู้เนี่ยนาฬิกาปลุกไม่ทันอนะ่ะเอานะหนูเป็นไงนะหนู ไปตรึงจิตหรือตรึงอารมณ์นะอ่าความเสียใจก็คาอยู่อย่างนั้นนะแต่มันคาอยู่เพราะจิตเราเป็นอกุศลอ่ามันจะเป็นอีกอันหนึ่ง คือถ้าหากจิตของเราเนี่ยมันมีสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดเฉะนั้นทันทีที่ตัวปัญญาตัวจริงเกิดเนี่ยมันจะตัดทันทีเลยมันจะวางก็เรียนอริธรรมแล้วนะมันก็เหมือนอริธรรมบอกแหลอ่าของญิงเราเห็นแล้วมันประทับใจ จะเฝ้ารู้นะเราไม่ได้รู้เพื่อให้หายเสียใจเรารู้จนกระทั่งเกิดปัญญารู้ว่าจิตมันจะเสียใจเราก็ห้ามมันไม่ได้นะฝึกจนกระทั่งเห็นว่าความเสียใจมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเราบังคับมันไม่ได้สติสั่งให้เกิดก็ไม่ได้สัมมาสมาธิสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ปัญญาสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะมีแต่คาว่าไม่ได้คาว่าไม่ได้คือคาว่าอนัตตานั่นเองบังคับมันไม่ได้ ดีแล้วมันทำงานของมันเองห้ามมันไม่ได้อ่ะใครจะส่งกันบ้านต่อจบแล้วหรือพี่หนูอ๋อมีใต้อีกคนอ้าวส่งกันบ้านตอนนี้บางพอดี เราก็ต้องมีเครื่องช่วยนะเอาอารมณ์ในสติปัฏฐานยังเอาร่างกายเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเนะช่นเรากระดุกกระดิกเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อมาพอเราหัดรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนเราหัดรู้สึกเนี่ยต่อมาพอเราเฟล่องแล้วร่างกายเกิดเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยสติจะเกิดเอง ยกตัวอย่างอย่างสมมติเราหัดรู้ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเราคอยรู้บ่อยๆต่อมาเราเห็นเพื่อนเราเดินอยู่อีกฟากถนนหนึ่งเราดีใจเราขยับเท้าจะก้าวไปคุยกับเขาเนี่ยพอเท้าเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยสติจะเกิดขึ้นมางั้นอาศัยการเคลื่อนไหวของกายแล้วก็รู้กายรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปช่วยกัน ถ้าดูแต่จิตล้วนๆกําลังไม่พอบางทีร่างกายเคลื่อนไหวก็คอรู้สึกมันจะทําให้ไม่เผลอนานเพราะเวลามันหลงไปทางใจเนี่ยเราดูจิตใจไม่ได้แต่ร่างกายเคลื่อนไหวขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกได้มันจะรู้สึกขึ้นมาเราะนั้นเวลาจิตมันหลงไปทางใจร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกบางทีเราหลงไปเพ่งกายเนี่ยถ้าจิตเคลื่อนไหวขึ้นมาเราก็รู้สึกนะรการกับใจมัก็ช่วยเหลือกัน รู้กายรู้ใจไปทำสมาธิบ้างไหมนะอย่าทิ้งทำให้ได้ทุกวันนะสมาธิทำให้พักผรอให้จิตใจเราสงบจิตใจเราสบายมันดูง่ายนะเป็นคนคนนะบางคนทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันก็ต้องดูเอาเลยนะถ้าทำได้เราก็ทำสมาธิขึ้นมาจิตใจได้พักผรอ เดินจงกลมร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไม่ใช่เดินเพ่งเดินรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกโดยไม่เจตนาไม่ไปจงใจจ้องใส่มันจงใจเพ่งเพ่งไว้ใช้ไม่ได้ปัญญาไม่เกิด ที่เราเกิดโลภะเกิดตัณหาอยากปฏิบัตนะิมีกิเลสเกิดก่อนมีตัณหาเกิดก่อนอยากปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำกรรมนะลงมือทำสิ่งที่เราทำอย่างมากที่สุดก็คือปุญญาที่สังขาญไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนะการบังคับกายบังคับใจมีอีกชื่อหนึ่งคืออัตากิลมัฐานโยค ในขณะที่วิปัสสนาเนี่ยให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเฉะั้นเราไปถูกคําว่าปฏิบัติเนี่ยหลอกหลอนเราแทนที่เราจะคิดว่าการปฏิบัติคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราคิดว่าคือการดัดแปลงกายดัดแปลงใจตรงนี้ทําให้เราพลาดจากวิปัสสนาเกิดแปลงกายดัดแปลงใจเนี่ยสูงสุดที่ทําได้คือสมถะ จิตไม่สงบทําให้สงบจิตมีราคะที่นาสุภะจิตมีโทสะเจริญเมตตาจิตใจสบายสบายเราก็อยู่กับความสุขความสบายเป็นภพอันหนึ่งเป็นภพอันหนึ่งที่พวกลมก็ไปอยู่กันเนะื่อสูงสุดได้แค่นั้นถ้าปรุงอัคคุศลก็ไปอาบายเป็นภพอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเฝ้ารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะด้วยจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู เราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเห็นไปเรื่อยใหม่ๆก็เห็นว่าเป็นเราบ้างไม่เป็นเราบ้างต่อมาก็เห็นเลยทันทีที่สติเกิดกายไม่ใช่เราทันทีแต่จิตเป็นเราจิตยังเป็นเราไม่เลิกพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นว่าเห็นกายเนี่ยว่าไม่ใช่เราเนี่ยเห็นง่ายคนศาสนาอื่นก็เห็นท่านบอกอย่างนี้แต่มีแต่ธรรมวินัยนี้เท่านั้น ที่จะฝึกฝนจนเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะอะไรจิตนี้เกิดดับรวดเร็วบางคนปฏบิบัติบอกว่าจะดูกายอย่างเดียวไม่เอาจิตไมนะ่เข้าใจผิดละจะรู้กายที่ถูกต้องนะก็มีจิตเป็นผู้รู้ต้องแยกกันญาติมาแตก่ก่อนข้าวัดป่าครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนรุ่นหลังๆนะหลังๆนะคำสอนมันเริ่มแปลกๆไปแต่ก่อนครูบาอาจารย์สอนให้ทาความสงบขึ้นมาจนจิตตั้งมั่น จ, จ, จนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็เห็นร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปยืนเดินนั่งนอนโดยที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งมันตรงกับพิธรรมเลยนั่นคือนามรูปปริเฉทญาณนั่นแยกรูปกับนามออกแยกแยกกายกับใจออกแยกกันรุ่นหลังของเราพอหายใจเข้าหายใจออกเราก็ไปเพ่งแต่ลมหายใจจิตของเราไหลไปรวมเข้ากับกายดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าเพ่งเท้าดูมือเพ่งมือนะ ดอูอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้มันไม่มีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะงั้นมันจะแยกออกมาไม่ได้ปัญญาไม่เกิดหรอกมีปัสนาขึ้นไม่ได้เลยเพราะยานที่หนึ่งยังไม่ได้เลยนำรูปปริเฉทะยานยังไม่เกิดงั้นถ้าทําฝึกถูกต้องเนี่ยรู้กายก็จะรู้จิตรู้จิตก็จะรู้กายกายกับจิตนี่เหมือนเหรียญอันเดียวกันนะมีสองหน้า หยิบขึ้นมาหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งก็จะติดมันด้วยนี่บางคนบอกว่าจะดูแต่กายอันเดียวลืมไปหน้าว่าไตรสิกขาเนี่ยศีลสิกขาบทเรียนที่หนึ่งบทเรียนที่สองชื่อจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถัดจากนั้นหนึ่งเรียนปัญญาสิกขาการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจิตสิกขานี่เราเรียนเืิดให้จิตเราตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่จิตเคลิ้ม รุนหลังๆคิดว่าการทำสมาธิทาเอาเคลิมทาเอาขาดสติอย่างค่าๆก็เปิดเทปครูบ า, าจารย์นะก็นั่งสมาธินะเคลิมงอกแ ง, งอกๆไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้คือถ้าจะฟังครูบาจจารย์ให้รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังอย่าขาดสติถ้าจะปฏิบัติจะเจริญสติก็ต้องรู้สึกตัวอย่าเคลิมเอามันสักอย่างหนึ่งจะฟังให้รู้เรื่องคือฟังเชิงปริยัติก็อย่าหลับ อยากจะปฏิบัตินะเจริญสติก็อย่าไปเคริ้มเคริ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนี่ส่วนส่วนใหญ่พวกเราจะเคลิมนะ้มนั่งกันงอกเงีกงอกเงี้กนะแต่คนสมัยก่อนเคยเข้าไปยินมักเป้งสมัยหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่เทศสท่านยังอยู่นั่นนะตกค่าเนี่ยคนไปภาวนาในโบสถ์นี่เยอะเลยบางคนก็เดินจงกรมรอบโบสถ์แต่มาก็ไปนั่งกับเขาด้วยนั่งดูไปรอบๆอบตัวนะ ไม่มีใครเจริญสตินะเอมีแต่นั่งแล้วก็อย่างนี้นั่งก็แบบนี้นะเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไปเดินก็แบบเคร่งเครียดเรื่มสุดโตกสองฝั่งะ่นะละไม่เคลิ้มไปเลยหลงไปเลยก็เคร่งเครียดไปเลยในใจก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนะีคิดอย่างเงี้ยพอเช้าโดนดีเลยนะถวายอาหารหลวงปู่แต่แล้วเข้าไปไกลๆท่านท่านก็ยิ้มหวานเลย วัดนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติแล้วคนก็งงนะนั่งสมาธิเดินจงกรมกันตั้งหลายชั่วโมงทำไมหลวงปู่ว่าไม่ได้ปฏิบัติแท้จริงก็คือขาดสตินั่นเองหลวงปู่มั่นถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรสติสําคัญมากเลยทําสมาธิก็ต้องมีสติกํากับ ถ้าสมาธิไม่มีสติกำกับมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันจะเคลือบเคลื่มไปเห็นโน้นเห็นนี่ออกไปแทนที่จิตใจจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเหนะมือนถ้าเราจะรู้กายนะรู้กายรู้เวทนาอย่าทิ้งสมาธิกายกับเวทนาจำเป็นต้องอาศัยสมาธิเพราะกายเป็นของหยาบนะเวทนาเป็นของที่รุนแรงถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิหนุนหลังใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยไปรู้กายมันจะถล่มลงไปเพ่งกายเพราะมันหยาบ มันมายั่วยวนเอาใจถล่มเข้าไปมันจะไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมานะเวลารู้เวทนาเนี่ยเวทนามันรุนแรงจิตใจมันจะทุรนทุรายขึ้นมานะแต่ถ้าเรามีสมาธิหนุนหลังอยู่นะดูเวทนาเราก็เห็นกายเป็นอันนึงเวทนาเป็นอันนึงจิตที่ไปรู้กายรู้เวทนาเป็นอีกกรนรนะแยกรูปแยกนามอีกนั่นแนะหละการปฏิบัติต้องแยกรูปแยกนามนะไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้จิตต้องแยกทั้งนั้นนะ นี่คนไหนคิดมากทำสมาธิไม่ได้นะใจไม่ตั้งมั่นพอก็ต้องดูจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนทางปฏิบัติเอาไว้สองทางทางหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิจนใจตั้งมั่นมารู้กายและเวทนานะทางหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิจิตมันไม่ยอมสงบไม่ยอมตั้งมั่นรู้ทันมันลงไปเลยนะเดี๋ยววันหนึ่งมันสงบมันตั้งมั่นของมันเองปัญญานาไปอย่สมาธิก็เกิด ในขณะที่จะเข้าถึงธรรมะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาทุกคนขาดอันใด น, นหนึ่งไม่ได้นี่หลายคนคิดแต่ว่าทําสมาธิไปมากๆจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างที่เราทํากันนะถ้าเป็นสำมาสมาธิทาให้เกิดปัญญาคือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะจะทําให้เกิดปัญญาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง แต่ที่เราทำสมถะเคลิมงอแงงอแงนะไม่ทำให้เกิดปัญญาเคยมีคนถามอาจารย์มหาบัวนะนั้นะนะบอกถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมฮะเกิดอะไรนะเกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดเราคนละเรื่องนะตอนหลังๆคนไปถามเรื่องสมาธินั้นะท่านไล่ว่าขี้เกียจพูดพูดเยอะแล้วไปอ่านเอาเองนะให้มาเรียนเรื่องเจริญปัญญาบ้าง การจเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่เราคอยรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงปัญญาคืออะไรสมเด็จกรมพิยาวาชิรยานวาโรรสต้งเขียนตำราวไว้ปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกองสังขารหรือจริงๆก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจนั่นเองปัญญาไม่ใช่เรื่องอื่นปัญญาไม่ใช่ความฉเฉลียวฉลาดอย่างโลกโลก ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ ท, ไทําไมสัญญาถึงเกิดเพราะว่าใจของเราตั้งมั่นเราเป็นคนดูกายเป็นคนดูใจรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงอยากขาดสติลืมเนื้อลืมตัวรู้กายรู้ใจเนืองๆมากๆเข้าในที่สุดปัญญามันเกิดก็คือเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนั่นเอง ปัญญาคือความเข้าใจนั่นมันเข้าใจได้เพราะมันเป็นเหตุของจริงเนืองเนืองรู้กายเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองเบื้องต้นอะไรก่อนก็ได้แต่เบื้องปลายรู้ทั้งคู่แหละรู้กายถูกต้องก็รู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายนี่โลปู่สุวัสด์เคยพูดก็้วท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านนะรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไปนะ ถ้ารู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเนี่ยเรารู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตเพื่อจะรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็รู้จักสิ่งหนึ่งเรียกว่าทีติจิตหนวงู่ม่นเรียกทีติจิตทีติจิตนี่ยก็คือทารู้ตัวเดิมนั่นเองหลวงูเดินเรียกว่าจิตหนึ่งเนี่ยปฏิบัติจนเห็นจิตหนึ่งเห็นทารู้ตัวเดิมที่มันเป็นอิสระไม่ถูกอาสวะหอพุ่มไว นั้นให้รู้กายรู้ใจไปนะรู้ไปเรื่อยจนเกิดปัญญาจิตปล่อยวางความยึดถือกายใจจิตจะหลุดพ้นกันอาสวะพระไตรปิฎกพูดไว้ตรงๆเลยเวลาบรรลุพระอรหันต์าาเนี่ยพระไตรปิฎกใช้คําบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ยึดกายไม่ยึดใจนั่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่เหมือนเปลือกเหมือนเปลือกไข่ที่หุ้มลูกไก่เอาไว้ข้างในมันจะแตกมันทําลายออก แต่เราไม่ได้ทาลายอาสวะโดยตรงนะอาสวะนี้จิตหลุดพ้นจากมันได้เพราะว่าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจโดยเฉพาะไม่ยึดถือจิตนั้นแหะกายนั้นมันวางก่อนมันหยาบน้อยคนที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรางั้นสักกายทิฏฐิขาดไม่หมดหรเห็นกายไม่ใช่เราแต่ไม่ได้เห็นจิตว่าไม่ใช่เรานะสักกายทิฏฐิไม่ขาดแต่ถ้ารู้กายถูกต้องก็จะเห็นจิตด้วยจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรา พฝ้รู้เฝ้าดูนานๆเห็นอีกจิตก็ไม่ใช่เรางั้นทำอันใดอันหนึ่งก็เข้าไปถึงธรรมะอันเดียวกันล้วนๆเลยเดียวเราพักอะไรนะน่าเข้าไปถึงธรรมันเดียวกันะคือจริงๆจิตหนึ่งก็คือมหากริยาจิตซึ่งมันไปรู้นิพพานนั่นเองรู้มหาสุญญาถ้าจิตหนึ่งก็ไปรู้มหาสุญญาตา นี่คือใจของหลวงปูเทศนี่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็สำนวนต่างกันราะั้นบางทีพวกเรานักปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วนะต้องไปเรียนปริยัิยักษ์ซะหน่อยจะได้พูดกันรู้เรื่องไม่้ข้ามสำนักก็พูดกันไม่